จิตรวมตัวเมื่อไหร่พอจิตคิดออกไปมันคิดถึงอะไรบางสิ่งพอวิญญาณรับรู้อะไรบางสิ่งก็เกิดนามรูปทันทีครับนามรูปนั้นไม่ใช่อะอื่นตามที่ผมเข้าใจนะก็คือมโนภาพคือรูปแห่งนามเมื่อผมใช้คําว่ารูปแห่งนามนี่เข้าใจยากครับรูปเราเข้าใจนามเราพอเข้าใจเช่นความดีความสุขความทุกข์อะไรเป็นเป็นเป็นนามธรรมาแต่รูปแห่งนามคือนิมิตภายในนะครับ ถ้าใครสักคนหนึ่งจเจริญสิอยู่เรื่อยๆนะครับแล้ววันหนึ่งเขาอ้าปากจะกินข้าวตักข้าวในใสช้อนแล้วยื่นช้อนเข้าปากในขณะนั้นมโนภาพปรากฏขึ้นในขณะเดียวกับช่วงที่สมปริดีทั้งหมดความรู้ตัวทั้งหมดเกิดทันกันพอดีนะเรียกว่าการรู้การรู้ตัวกับวิญญาณที่ปรากฏนำนำรูปมาทันกันพอดีมันจะสลายลงทั้งคู่ครับ แล้วความเงียบจะปรากฏเป็นเนื้อหาของชีวิตให้เห็นเปิดเผยความจริงของความเงียบเชียบความไม่มีอะไรเป็นฝักฝ่ายไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะความไม่มีอะไรเป็นฝักฝ่ายการที่เห็นความไม่มีเป็นฝักฝ่ายของสองขั้วนะเห็นได้โดยมักเท่านั้นเห็นด้วยความคิดปรุงแต่งไม่ได้ครับเี่เราบอกว่าทองกับดินเหนียวเหมือนกันนะเห็นด้วยสายตาแ ย, ย, ยกไ้าได้มันค้านตัวเองตลอดเวลาเพราะจิตมันยึดทองว่าเป็นทอง ยิงทองไม่ได้ชื่อทองนะครับทองคำไม่ได้ยิงทองคาเลยดินก็ไม่ได้ชื่อดินมันไม่มีชื่อมันไม่มีนามแต่ก่อนพอเราบรรญับนามขึ้นตอนนั้นเราก็สามารถนึกถึงทองคำได้ถึงสีเหลืองอลาบ ม, มากกว่านั้นเรามีความรู้ภูมิหลังว่าเท่าทองคำไปแลกจะได้ความล่ำรวยมั่งมีนะจิตก็ฝังแน่นลงไปในนั้นเลยนะพอนึกถึงทองมันแยกเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงรับดินเหนีย นึกถึงมะพร้าวมันไม่ใช่ตานทั้งสิ่งเหล่านี้ตานกับมะพร้าวผู้หญิงผู้ชายภาวะที่ดูหลากหลายผิดแผงหมดจะกลับเป็นราคาเป็นศูนย์หมดพราะทองคําราคาเป็นศูนย์ครับกว่านหน้ามนุษย์จะบัตขึ้นในจักรวาลนี้ในโลกนี้ทองคํามีแต่เป็นศูนย์เป็นศูนย์ไม่ได้ไหมายมันไม่มีนะมันปรากฏแต่ค่ามันเป็นศูนย์ศูนใน น, นี้หมายถึงชาเลกคณิตครับในในคณิตศาสตร์ที่เราใช้ ราคาศูนย์ไม่ใช่ไม่มีค่านะดินเหนียวก็ศูนย์แต่พอมิติของความคิดเข้าไปจับมันจากศูนย์มันเคลื่อนเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านในสุดต้องค่ากันเพื่อแย่งธาตุทองคำซึ่งเป็นธาตุธรรมดาธรรมดาที่เมืดูชัด อ, อีกประเด็นหนึ่งนะย้ำเติมนะครับว่าวามหมายที่พระเจ้าบอกไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคืออะไรกันแนะ่ โดยเวิญญาณวิญญาณภาพ mm hmm. คํานิยามท่านผู้รู้คือวิญญาณคือผู้รู้ผู้ลิ้มผู้ดม mm hmm. ความควาคิดที่ว่าเป็นผู้ผู้ลิ้มผู้ดูผู้ชิมผู้เปรี้ยวผู้เข้มนะนี่คือวิญญาณ mm hmm. เราคงไม่หลงเรียกไฟที่เกิดขึ้นที่ธรรมสถานนี้นะฮะถ้าเคุณต้นก่อกองไฟขึ้นตะกองหนึ่งด้วยคือ เราคงไม่ถึงกับจับจองว่านี่คือไฟธรรมสถานเช่นเดียวกับไฟที่จุดขึ้นที่อ阿าสกา้าคงไม่มีชาว阿าสก้าคนไหนโง่เ ง, ง่าถึงขนนะาดบอกไฟ阿拉斯กาไฟคือไฟมันเป็นธาตุสากลแต่ว่าภาษาไทยเรียกไฟสําลังอะไรชื่อนึงชาวเอสติโมเรียกชื่อหนึ่งแต่ว่ามันไม่อาจถูกจับจองเป็นของอะไรได้เลยมันเป็นธาตุสากลเช่นเดียวกับ น, น้ํา ขุลงตรงนี้ได้น้ํากับที่อเมริกาที่มาเลเซียก็เป็นน้ําเหมือนธาตแท้ดินน้ํำไฟลมไม่มีทั้งชื่อไม่มีทั้งเจ้าของแต่ไม่ใช่ไม่มีอยู่ครับมันปรากฏอยู่จริงๆแต่มันปรากฏอยู่ในลักษณะที่อิง ก, กันเกิดปัจจัยต่างๆเหมือนที่ผู้เจ้าอาวาสอะไรเงี้ยอิทธิปัจจรตาสิ่งทั้งปวงไม่ตั้งอยู่ได้โดยตัวมันเองโดยเอกเทศมันอิงกันเกิ ด, กกกดแต่ดึงอันหนึ่งออกอันนึงจะล้มตาม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 หรือปรากฏในขณะที่ปรากฏมันปรากฏขึ้นมันไม่พอที่เรื่องวิญญาณของนายกอ่อเหมือนกับ น, น้ําไม่พอที่เรื่อน้ําของประเทศไทยเราพูดไม่ได้ครับถ้าพูดก็เป็นเรื่องสมมติแต่แล้วเราก็ยึดติดสมมุติในทางวิญญาณว่าวิญญาณของไปเกิดแล้วคนที่ไปเกิดเป็นวิญญาณของชั้นด้วยครับปัญหาเรื่องปรโลกหรือ อ, อันอันตระพก็คือเวลาเราคิดเรื่องการวินว่ายตายเกิดเรามีความสงสัยว่า ตัวชั้นหรือเปล่าที่ไปเกิดใหม่เราไม่อาจคิดว่ามีการเกิดโดยไม่เกี่ยวกับตัวตนไฟเมื่อก่อขึ้นแล้วนะถ้าเราดับมันสูญไปทั้งช่วงนิรันดรหรือเปล่าสาเหตุปัจจัยประจุเหมาะมมันก็ติดขึ้นอีกหมดที่เนียนก็ดับอีกถามว่าฐานะของไฟตั้งอยู่เป็นอะไรคำตอบคือเดียวเส่นเดียวกับมะม่วงครับกึมมีแบบไม่มีครับ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 ชุดตรงเช่นนี้เขาบอกถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็จะดับนั้นตัวสภาวะนั้นมันเป็นอัพยากฤตครับภาษาคําพูดไม่อาจนำทางเราไปถึงที่ตรงนั้นได้แต่ภาษาและคําพูดนําทางมาถูงกุญแจซึ่งล็อกอยู่เท่านั้นครับนํามาสู่บ้านซึ่งประตูล็อกตายอยู่แต่ว่าภาษาดีนะครับ ถ้าไม่มีคําพูดของพระเจ้าแนะนํามาเราจะไม่มาที่ ท, ที่ที่ประตูใจเราได้ครับเราไม่อาจเชื่อได้เลยว่าเราจะบรรลุถึงอะไรทางใจได้สมมุติอยู่ดีๆนะพระเจ้าไม่เกิดมาผู้รู้ไม่เกิดมานะพวกเราคงคงเหมือนกับผมหรือท่านก็เหมือนกันคงต้องหาเงินเลี้ยงลูกดอดู้ไม่มีข่าวคราวเลยว่าทางรอดอยู่ตรงไหนมันไม่มีนะครับแต่พอพระเจ้าเกิดขึ้นมาท่านใช้ภาษานะครับ แล้วค่ำคืนทุกค่ำคืนของพระเจ้าคือค่ำคืนการตรวจสอบว่ากันว่าบางประสูตรท่านเสด็จเดินจงกรมแล้วก็พิรรมรำปฏิจจสมุปบาทธรรมวิชาท่าเกิดสังขารสังขารท่างเกิดวิญญาณราวก็ว่าท่องบทมนพระพิสุทธซึ่งเป็นฮินดูมาก่อนก็เข้าจะปิดสงสัยพระองค์ท่านเอ๊ยยังติดนิดสัยพวกฮินดูอยู่เปล่าสังวัตรทยายมนท่านบอกเปลา่าท่านก็ได้ฟังว่าสิ่งนี้สําคัญ ดันั้นทุกค่ำคืนการพยากรปัญหาเทวพยดานั้นคือมิติที่ลุ่มลึกที่พระเจ้าพยายามค้นวิถีทางที่อธิบายมนุษย์เข้าใจได้ตรงได้ย้อนรอยไปอดีตพุทธวัติไปนิดนึงครับในใต้ต้นโพเหตุการณ์ในใต้ต้นโธรรมนิยามปรากฏขึ้นแต่ไม่มีธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติถึงเกิดช่วงหลังพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นทีละล้อสล้อสิล้อ ขอให้ผมใช้อัตนัยนะครับอธิบายเหตุการณ์อุปกระสิวที่สวนทางพระเจ้าพระเจ้าสเสด็จไปกาศีเพื่อโปรดปัญจวัคคีนะครับเจอสวนทางกันเขาเห็นอินทรีป่องใสเ้าก็ถามว่าท่านเป็นใครอินทรีผ่องใสนักท่านชอบใจสมองใครนะพระเจ้าบอกเราเป็นเสียมภูรู้เองไม่มีครูเราไม่ใช่ครุฑไม่ใช่นาคไม่ใช่คนทันเธอจงจําว่าเราคือพุทธะเขาแอบลิ่นหลอกท่านเขาไม่เชื่อครับพราะพระเจ้ายังไม่มีธรรมบัญญัติ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 เราเท่านั้นที่เข้าถึงใจเราได้ครับผู้รักสามีภรรยาเข้าถึงใจเราไม่ได้หรครับดังนั้นเราไม่ควรจะฝากใจเราไว้กับใครฝากไว้กับตัวเองครับสิ่งที่พระเจ้าประสงค์จริงๆก็คือทำใม้มนุษย์ทั้งหมดที่เลื่อมใสศรัทธาย้อนรอยความคิดเข้าไปสู่พัฒน า, าก่อนหน้าคิดแต่ว่าเราไม่อาจคิดถึง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 มันจะไม่สนใจความคิดเลยไม่ให้ไม่ยอมตกเป็นทาสก็มาหนึ่งต่อไปแล้วจะเกิดการกรบฏขึ้นมาบันทีต่อความคิดแต่กบฏต่อความคิดนั้นอันตรายอยู่นะผมหมายถึงว่ามีการกอ่กอฟ อ, อร์วดของความรู้สึกตัวชีวิตสัมผัสล้วนๆนะพอกันทีสําหรับชีวิตของตักกะพอกันทีสำหรับชีวิ ต, ต, วตคิดนำทางมาตลอดเวลาแล้วมีแต่ความเจ็บปวดปวดหัวเป็นปฐม คิดมากก็มึนงงคิดมากตอให้คิดธรรมะนะแล้วคนคิดมมากนั้นเข้าข่ายที่ขอโทษนะผมไม่ได้ว่าเจาะจงกันไหบ้าธรรมะครับกางคนเป๋ในสังคมคือลำพึงลำพันธ์เร่งธรรมะแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับในที่สุดเราจะงงมากว่าธรรมะมันคืออะไรกันแนะ่แต่ถ้าเราจับความสึกสดตลอดง่ายดีดียว จ, จบ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 นี่ก็เป็นธรรมะเหมือนกันแต่เป็นธรรมะทุกดังนั้นเราผู้ไม่รู้จึงการเป็นคนดีแต่ทุกครับคำว่าคนดีแต่ทุกผมไม่ได้แดกดันครนะคือว่าตัวเองว่าอะไรทุกๆคนเลยครับว่าเวลาทุกข์กันมาดีแต่ทุกข์ไม่ผลดุลในความรู้ตัวที่อยู่เหนือทุกข์ขึ้นมานะมันเหมือนว่าเราไม่เคยใช้งานอรยวะบังสิ่งซ่งสาคัญมากๆเลย ผมจะเรียกในที่นี้ว่าอายตะนะไม่มีความทุกข์อายตะนะอะไร้ทุกข์นั่นคือตาของชีวิตนั่นเองครับดวงตาซึ่งมันหลับอยู่แล้วมันง่วงมันเห็นอะไรคลุมเครือตลอดเวลาแล้วก็ปลุกมันขึ้นมาเราความรู้สึกตัวขึ้นมามันไม่สําคัญเลยครับมันจะถูกเรียกว่อันเดียวก็สติหรือไม่มไม่ได้สําคัญเลยครับแต่เรามั่ตกเสียงปัญหาว่าสติไหมายเช่นไรในสุดเราหมดเวลาวันหนึ่งในสุดปีหนึ่งในสุดสิบปี ในสุดยี่สิบปีปัญหาในพุทธศาสนาไม่ใช่ปัญหาเรื่องนิรุกติไม่ใช่ปัญหาภาษาไม่ใช่ปัญหาวัฒนธรรมไม่ใช่ปัญหาการเมืองแต่ปัญหาตรงนี้ทำอย่างไรจึงจะเข้าให้ถึงให้จงได้ในสิ่งที่เจ้าอยากให้เรารู้วันหนึ่งท่านเอามือจับใบไม้มาแล้วก็ถามภิกษุหลายท่านรู้มาเรื่องราวนี้ดีถามภิกษุในที่ประชุมว่าใบไม้ในกํามือตถาคตกับใบไม้ทั้งป่าในมากไนน้อยกว่ากัน จึงเป็นปัญหาที่ตอบง่ายมากครับมันเทียบกันไม่ได้เลยนะค่ท่านบอกสิ่งที่ท่านอสอนจริงๆริงหรือเจ็บจำนงที่ให้คนรู้ยิ่งเท่าเนี้คือเรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุกข์เรื่องเหตุเรื่องความดับทุกข์ที่มีอยู่แล้วในตนคำวินิโรธแปลว่มันมีอยู่แล้วนะส่วนทางท่านเพิ่งประกาศท่านประกาศว่าเมื่อไต่ไปตามทางอนี้นะก็จะไปถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วนี้ได้คือวนิโรธซึ่งเป็นอยู่แล้วนะ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 ดั้งเดิมอยู่ในตัวเราเราตายไปตามอริมักเมืองปเพื่อเข้าถึงสิ่งที่เป็นสมบัติแท้ๆของเราด้วยครับแต่ถ้าเราใช้ความคิดเราก็สร้างนิพพานขึ้นเองเหมือนรัตที่อื่นวันสุดท้ายที่สาวกองอุทายถามถามปัญหาประเด็นฉกาจกันนะครับสาวกองอุทายสุภัทฐ์ถามว่าศาสนาอื่น มีพระยะเจ้าหรือเปล่ามีผู้รู้อย่างนี้หรือเปล่ามีมรคลอย่างนี้กรือเปล่าพเจ้าบอกเธอมีเวลาน้อยแล้วแล้ ว, ลวก็ถนอมศาสนาอื่นก็ว่างเปล่าจากมรคนี่สับหนาคือมันไม่เหมือนกันท่านไม่ไปเสดเขานะผมเที่อนี่เป็นคำตอบของจอมปราจริงจริงๆที่ไม่ปฏิเสธคนอื่นแต่บอกว่ามันไม่เหมือนกันเพราะคนอื่นก็สร้างมรคลขึ้นด้วยความคิดดังนั้นจึงมีมิจฉัตตะสิบตะการตรงข้ามกับสัมมตตะสิประการมิจฉาทิฏฐิเป็นปฐม แล้วก็มิจฉาสมาธิและมิจฉาญาณนะมิจฉาวิมุตติมิจฉาญาณครับคือเกิดญาณมันหลุดพ้นเลยด้วยแต่มันหลุดพ้นแบบมิจฉาคื อ, ค, อคือโลกของความคิดมันสร้างขึ้นนะครับมผมผมบอกแล้วว่าเมื่อคิดเอง <laughs> หลุดพ้นก็หลุดพ้นแต่มันหลุดพ้นเบาๆไปหลุดพ้นแบบแบบติดยึดอยู่ในความหลุดพ้นหรือแม้น <AL. S 1> เรื่องจิตว่างนะเราบอกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็เลยไม่ยึดจริงๆแต่ว่ากลายเป็นยึดความไม่ยึด ยึดถือความมายึดเป็นสาระไปเลยนั้นมันเต็มไปด้วยอันตรายต่อสิ่งนี้นะครับถ้าเงื่อนต้นของความจริงอันนี้ไม่ถูกสำรวจคือระหว่างองค์กรที่แปลงความให้เป็นความหมายคือความคิดองค์กรนี้สาคัญนะร้ายกาจเมื่อเราเห็นดอกไม้ปั๊บมันคิดทันทีเลยนั้นจะต้องเอาตัวที่อยู่นอกระบบของความคิดครับผมบอกแล้วความรู้สึกจด ความรู้สึกสดนี่จะปรากฏไม่ไม่ต่อเนื่องและน้อยสําหรับคนที่ทุศีล น, นะครับใช้คําทุศีลซึ่งไม่ใช่คำบรนามคําด่าว่าอะไรทุศีลแล้วมีศีล ไ, ไ, ไม่ไม่ดีนั่นเองศีนไม่บริสุทธิ์ทุศีลแล้วว่าด่างคล้อย น, นั่านั้นเองครับเช่นดุงสลามากๆมดความรู้สึกสดมนก็มันก็เบลอจริงไหมครับไปเสพหรือพูดเท็จ บ, บ่อยๆความรู้ตัวเพราะมันพูดเรื่องไม่จริงตลอดเวลา จิตสำนึกเคยแขนในความไม่จริงมีเหลี่ยมครูตลอดเวลาผู้อะไรนี้ต้องต้องเพียนไปจากความจริงตลอดแนวโน้มก็เพี้ยนต่กันความรู้ตัวก็น้อยลงไปนอนในที่นอนนั้นอ่อนนุ่มสติก็อ่อนความรู้ตัวก็น้อยลงสิ่งอันนี้ครับเป็นอุสตส่าห์พระเจ้าก็มาหยักทั้งในฐานะที่ศีลศีลไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับแบบทหารครเป็นเพียงอะไรภาษาองกฤษเรียกไกด์ไลน์เท่านั้นนะครับบอกศีลือบินัยค้ายๆก็เป็นราวสะพานครับ คนแข็งแรงจริงไม่ต้องอิงเหลาา่าสะพนแต่มีน้อยนะฮูดไปก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจาผมไงแข็งแรงไม่ต้องไม่ต้องพึ่งวินัยก็ได้สีเหล่านั้นวินัยเหล่านั้นเป็นเหล่าสะพานสําหรับประคับประคองนะ เ, ออเมื่อเราต้องเดินข้ามสะพานซึ่งข้ามยากปราศจากเหล่าสพานแล้วอันตรายเกิดขึ้นได้ง่ายแต่แน่นอนสําหรับคนที่เข้มแข็งจริงจริงร่างก็มีพลานามัยจริงๆริงเนี่ย เขปฏิบัติธรรมได้เลยหลายองค์ในธรรมบทที่ถูกนำเสนาะไว้เป็นประวัติไม่ได้รักษาสิ่งองค์เคลียร์มันไ่ได้รักษาพายะก็เหมือนกันแคมก่อนหน้านั้นเคยปฏิบัติหลอกลวงประชาชนด้วยครับพฝ่ายญาติคือท่านเป็นพ่อค้าแล้วก็เรือแตกพอขึ้นฝั่งไม่มีเรื่องธรรมะกินเลยกค้งางทาเป็นพระอะหันเอาใบไม้กลัดนุ่งแล้วทำทำท่าทีเป็นอลาหันประกาศตนเป็นอลาหันก็ อยู่ดีกินดีขึ้นแต่วันดีคืนดีวันหนึ่งได้ยินข่าวว่าพระเจ้าจริงๆเราเกิดขึ้นแล้วท่านล้อนใจคนระับแสดงว่าเชื่อพุชโลัสติกยังแฝงอยู่นะจึงนึกออกว่า เ, เราหลอกเขาก่อนหน้านั้นไม่ตั้งใจจะหลอกแต่ว่ามันเป็นทางสะดวกทํามหากินสะดวกดีเพราะเอกใจก็เดินทั้งวันทั้งคื น, นครับไปพบพระพุทธองค์กําลังแสวงหา บ, บินบาศอยู่ในเข้าใจในในตลาดหรือในชุมชน เขาไปจบข้อเท้าแล้วถามสั้นๆซึ่งคําตอบนั้นลือลั่นในทุกนิการของผู้ถามนานครับแม้มหายาณก็ยอมรับว่านี่เป็นยอดประจุคาตอบด้วยคําตอบเพียงสั้นๆที่สุดทําให้คนพลิกชีวิตได้นะครผมไม่เชื่อเฉพาะพายะเท่านั้นหลายคนพลิกชีวิตได้ด้วยคําพูดที่เหมานะสมเมื่อถามว่าปฏิบัติธรรมสิ้ถึงที่ปิตุกทําอย่างไรนะครับผู้ตรงทรงจัดห้ามสามครั้งบอกเวลานี้ไม่ใช่การเพราะท่านบินบาส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 นี่เป็นความคิดครับมีการเห็นอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยในตัวมันเองเมื่อใดาตาให้นลูกศักดิ์แต่เห็นคือเห็นล้วนๆ น, นะครับหูได้ยินเสียงก็ได้ยินล้วนๆสมบูรณ์แบบไม่ใช่ไม่ได้ยินหรือได้ยินครึ่งๆกลางๆเมื่อใจจิตใจรู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ได้ตัวนี้สําคัญที่สุดนะ ค, คือรู้ล้วนๆครับโดยไม่มีภูมิหลังเข้าไปจับ ไม่มีความคิดแทรกซ้อนว่าฉันกำลังรู้ธรรมะสังเกตดูเวลาเราสงบนะนั่งสมาธิจิตสงบนะมันพูดกับตัวเองว่าเอ๊ะวันนี้สงบดีจังจิตมันจะวิาพฤฤฤฤากษ์วิจารตลอดเวลาคนระับนั้นประเด็นแรกที่สุดข้อแนะนำเบื้องต้นที่สุดในการภาวนานนะครับเคาถอนเสียงกระซิบภายในเสียงทุกซิบกับตัวเองนะครับไอตัวนี้ร้ายดูมันโทษมันน้อยแต่ว่ามันรบกวนมากมากครับ พอนั่งก็เริ่มสงสัยครูบาอาจารย์สอนจริงๆรื้วอ๋อแล้วมันเริ่มมันเริ่มหลอกลอ่อพอเริ่มดูจิตมันจะพากด้วยครับเราก็มังดูจิตนะเราก็มังดูความคิดแล้วพอสงบนี้โอ้โหความความสงบดีจังเลยตัวตนมันก็โตขึ้นเรื่อยๆครับผู้ดูมันก็แผ่ขยายแล้วเริ่มยากเพิ่มสอนยากครับเพาาราะคนโตอ่ะหังกา ร, รอาหังการนั้นจบที่ไปได้ครับ ค่อยคำสั้นๆที่พระเจ้าตรัสกับพระพายะประมวลสรุปสุดท้ายว่าเมื่อเธอทาอย่างนั้นเมื่อตายตายรูปสักแต่เห็นไม่มีความคิดตร้งแตแรงนนั้นเป็นการเห็นที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ในตนัวมันเองครับตัดอดีตอนาคตออกแม้แต่ปัจจุบันก็ไม่ไม่ไม่รบ ก, กวนด้วยความคิดกระซิกกระซาบหูได้ยินเสียงสักแต่ยิน น, นจิตใจรู้อารมณ์ใดก็สักแต่รู้รู้ล้นๆรู้เฉยๆนะครับ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 แต่เรามีนิสยัยเจติดอันหนึ่งคือที่สงสัยที่ระแวงเราอาจจะระแวงได้ไม้มกับพระุทธเจ้านะอย่าทำเล่นกับตัวหังการนี้นะถึเมื่อความสิ้นระแวงต่อพระพุทธพระธรรมสิ้นไปตรงนี้ฐานะอันนี้ถูกรับรองจากพระุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันเป็นผู้สิ้นเครือบแคลงในพระพุทธพร ะ, พระพธเจ้าพระธรมที่ท่านตรัสรู้ตรงแสดง ประสงค์ผู้ปฏิบัติตามคอลงนั้นพร้อมทั้งศีลที่พระเจ้าชอบใจั น, นคือศีลมีศีลเส้นหนึ่งนะที่พระเจ้าชอบใจคือเป็นศีลปกติของชีวิตอันนี้เป็นอั ต, ตนาของผมนะครไม่ใช่ศีลข้อบัญญัติเพื่อความเรียบเป็นระเบียบเรียบร้อยขอสังคมแบบวินัยของตำรวจหรือทหารไม่ใช่อย่างนั้นบางคนอาจจะมีศีลมากแต่ไม่ใช่ศีลที่พระเจ้าชอบใจเช่น ไม่กินอาหารเลยอาทิตย์หนึ่งหรือแบบโยคีเขาปฏิบัติเขารักษาศีเลเคร่งคาดนะครับการฆ่าตัวตายนเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของโยคีที่เมืองลิสติกเกตเขาอยู่ริมภูเขาทิมารายพอแก่ข้าวๆเ ข, า, ข, า, ขาเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ ส, าาสีนิมาลัยทีนิแล้วกลับมากินอาหารหลังหาจไปเดือนกลับมาหายไปสองเดือนกลับมากินเองแล้วหาไปทั้งชาติเลยครับเขาถือความตายเช่นั้นจะไปรวมกับองค์พระเจ้า ศีลเช่นนี้พระอริยเจ้าในพุทธศาสนาไม่ชอบัจเพราะมันไม่ใช่เงื่อนต้นของดรงจิตนะครับศีลที่พระเจ้าชอบใจพระริเจ้าชอบใจก็คือศีลที่เรียกว่าอาธิกรมจิตนะครันับตั้งการสำรวมอินทรีย์รู้จักการบริโภคผลิตพัณฑ์คำเรื่องเครื่องตื่นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเนื่องกับการปลุกดวงจิตให้ตื่นขึ้นศีลอันนี้สําคัญ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 สตำรวจอย่างทองแท้แล้วความปกติจะปรากฏขึ้นนีง แ, แสดงว่าวิปัสนาทําให้เกิดศีลได้ครับนั mm ้น hmm. ผู้เจ้าจกว่าอย่าดูแคลนปัญญาบางคนอาจจะดูไม่เคร่งครัดในศีลแต่ไม่ใช่เขาจะไม่รู้เรื่องลึกของชีวิตนะอย่างกรมีภาษาลิบุตรอาจารย์ลุอโบราณเขาแก้ต่างให้ว่าท่านชาติกรท่านเกิดเป็นลิงเพราะเมื่อท่านเดินไปเห็นแอ่งน้ำนัากระโดดเลย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 สาระสำคัญที่สุดในการภาวนาก็คือรู้ตัวรู้ล้วนๆโดยไม่แยกอยะข้อนี้ผมก็นำมาสามเชื่อมกับชั่วโมงก่อนนะครับที่ว่าเมื่อเราเจริญสีนั้นเราต้องพิจารณาด้วยรึเปลา่าตำหลักดั้งเดิมศาสนาพุทธแบบผมจะเรียกออสดอกคือคื อ, คอระบบดั้งเดิมที่เราเรียนมาก็คือฝึกสมาธ เพื่อละนิวรณหซึ่งเป็นอุปสรรคร้ายแรงเทียบด้วยพยามาณและเซนานะครับเมื่ออุปสรรคร้ายแรงหรือสิ่งที่ในนิวรณห้าระงับแล้วจิตบรรลุฌานหรือเทียบฌานจนอัปนาหรือหรือใกล้เจียบฌานหรือเข้าไปถึงฌานแล้วถอนตนถอนขึ้นมาอาศัยพลังของฌานที่ไม่ได้ทําแล้วซึ่งเลิกทําแล้วนะครับพิจารณาโลกพิจารณาขันห้าใ น, นแง่อังจ่ายหลัก ลักเกณฑนี้รู้กันทั่วในป่าใจแลว่านงครับดูว่าเป็นหลักดั้งเดิมพิจารณาแง่ใจรักคือพิจารณาเห็นว่าฐานห้านั้นตั้งแต่รูปจนถึงวินยานั้นไม่เที่ยงเป็นอนัตตาในบทชนมมนั้นไม่มีคำว่านะทุกนะครทุกนั้นเป็นเป็นบทผนวกเพื่อสามเชื่อมกับวาระจิตของมนุษย์เท่านั้นแต่โดยสัตจธรรมธรรมชาติไม่มีคำว่าทุกอนิจจังกับอนัตตาเท่านั้นรูกเป็นอนิจจัง ลูกเป็นอนัตตาเวทนาเป็นนิจารเวทนาเป็นอนัตตาในบทนั้นไม่มีคมาําำทุกข์นะเมื่อพิจารณานี้แล้วก็มีความเชื่อว่าจะคลายกําหนัดคลายออกสิ่งมิเคยยึดติดก็จคลายออกคลายกำหนัดนิพพิทาวิราคะวิมุตถหลุดผลรู้ตอนนั้นหลุดผลแหนระบบเช่นนี้ชาวพุทธเซรว่ารู้กันทั่วไปหมดครับเป็นทฤษฎีบท เป็นลักษณะของ a อกเดมิกการสอนเป็นลําดับขั้นตอนแต่ผมว่าเต็มบริ์ัทสอบพิฎดีนี้และโดยเฉพาะยิ่งตอนพิจารณานั่นเองจิตที่ยังติดยึดในอารมณ์อยู่พิจนารณาก็ติดทันเทครับพิจนารณาไม่ได้ในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าว่าผ่านประตูเข้าไปแล้วการการเห็นนี่นมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติสิ่งสาคัญความจริงไม่ได้เกิดจากการพิจนารณา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 อ น, นิจจังทุกขังนั้นเป็นอยู่โดยมีชื่อครับเป็นอยู่แล้วโดวยมีที่ทำมาบัญญัติถูกบัญญัติขึ้นทีหลังเช่นอาการคลิปตาหายใจเข้าใจออกนิ่งไม่ได้ขยับขยื่นนี่คืออาจารย์อนิจจังพอควบคุมเข้าคุมไม่ได้นานร่างกายสรรรั่นเทิมขึ้นมาเป็นนั่งนิ่งส้ะก่อนลงความตามที่ผมเข้าใจก็คืออ น, นิจจังทุกขังนาาั้นเป็นลักษณะสากลของสรรพสิ่งนั้นเป็นอยู่แล้วโดวยไม่มีชื่อครับพุทธเจ้ามาเปิดเผยขึ้นมาดังนั้น ถ้าไปพิจารณากันอีกการเป็นซ้อนก็นไปการเอาสัญญาเขาไปซ้อนกันไปเนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามนะครับแต่ผมเข้าใจอย่างนั้นจริงๆว่าการชำระให้มีการเห็นถึ่บริสุทธิ์ขอบเพียงเลยครับที่จะเข้าใจความหมายในส่วนสุดเกินนอกความคิดนะครับว่าอันนี้จังทุกขังนักตาหมายถึงอะไรโดยไม่ต้องมีความคิดเลยตราบใดที่ยังมีความคิดอยู่อันนี้จังทุกขังอนักตายัางเป็นของเสียงครับ ยังเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งกันในจริง